น้อมนอมต่อคุณพระัตนตรยัยโอกาสเพื่อนสนามธรรมิกทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีและยาติธรรมทุกท่านอนั่งสบายๆเนะาะครั้นี้เราก็ <c oughs> มาปฏิบัติธรรมกันเนะวันนี้ก็วันที่สี่แล้วเนะาะครั้งนี้ที่เรามาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเรา <c oughs> พอจะรู้ไหมว่าเราปฏิบัติธรรมกันไปทําไม เราต้องหาสาเหตุว่าเรามาปฏิบัติธรรมไปทำไมให้ได้เนาะเราจึงจะเข้าใจเป้าหมายแท้จริงในตัวเราเองและชีวิตเราก็คือในพุทธศาสนานี้จะมีคำสั่งสอนมากมายนะอาจจะกล่าวได้ว่าถึง8ป0 0มืพันรรธรรมขันธ์ซึ่งเยอะมากหนังสือธรรมะนี่เยอะมากเลยหัวข้อต่างๆก็เยอะมากครนี้เนี่ย ธรรมะทั้งหมดนะจริงๆแล้วสามารถสรุปลงได้แค่2 อ, อย่างเท่านั้นเองอประการแรกก็คือให้เรารู้จักทุก์ประการสุดท้ายก็คือให้เราปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกนั้นเนะนี่คื อ, อหลักสําคัญนะมีสองอย่างนี้เท่านั้นนะครั้นี้ถ้าเราจับหลักสองอย่างนี่เราก็ยังง่ายนะก็คือประการแรกนี่ให้เราเห็นทุกก่อนใช่ั้ยก็คือเราได้เห็นทุกหรื อ, อยังเนาะ นตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยเนาะเมื่อก่อนก็เคยชวนคนมาปฏิบัติธรรมก็าถามว่าจะปบัติไปทำไมก็บอกว่าไปฏิบัติแล้วทุกข์ก็จะน้อยลงเขาบอกว่าเขาไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลยนะเพราะนั้นเขาก็เลยไม่ไ ม, ไ, มไม่ปฏิบัติธรรมเพราะว่าเขาไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเนะี่เพราะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญว่าเขาเห็นทุกข์ไหม นะถ้าถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่อยากจะไปบัตรธรรม <c oughs> นะครั้นี้ความทุกข์เนี่ยเมื่อกี้เราได้สวดมนต์ธรรมวัชเช้าไปแล้ว น, น, น, นะก็คือความทุกข์เนี่ยมีความทุกข์กายและทุกข์ใจเนี่ยสองอย่างนะคือตัวเรานี่มันก็มีสองอย่างคือกายและใจเท่านั้นเองมันไม่ได้มีความอะไรเยอะไกว่านี้เพราะฉะนั้นความทุกข์ก็อยู่ที่กายและใจของเราเท่านั้นเองนะครั้นี้ความทุกข์ทางกายเนี่ยเมื่อกี้เราก็สวดมนต์ไปแล้วนะ <c oughs> ชาติปีตุขาความเกิดเป็นทุกข์ ชะลาปิทุกขาความแก่เป็นทุกมรณะปิดทุกขังความตายก็เป็นทุกโสกะปริเทวทุกกระทมนั ส, สุปายาสาปิดทุกขาความโตกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกความปรารถนาความอยากจะได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุก ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพัดภาคจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์นะว่าโดยย่ออุปทานขันทั้ง5นี่แหละคือตัวทุกข์นะอุปทานขันทั้ง5ก็คือกายและใจนี่แหละคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือกายรูปคือกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือใจนี่แหละคือตัวทุกข์เนาะก็คือพระพุทธเจ้าได้สรุปเลยว่ากายและใจนี่แหละคือตัวทุกข์นะ ทุกทางกายนะเราก็เห็นแล้วว่าเรามีความทุกข์ไหมนะบางคนมองไม่เห็นหรอกใช่ไหม <c oughs> ไม่เห็นทุกข์ก็มีตั้งเยอะแยะนะอย่างเช่นเรานั่งนานๆ น, นะนั่งนานๆ น, นะเราก็ปวดเมื่อยนะนะรึ่งชั่วโมงปวดเมื่อยนี่งนี่คือความทุกข์แล้วนะหรือบางคนโอ้อยากเข้าห้องน้ำเนี่ยไม่มีความทุกข์แล้วนะแต่อย่าไปเข้านะ <c oughs> อาจารย์ตรงตินอยู่ได้ว่าอีกไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมนะใช่ไหมบางคนหิวอ่านะ ก็มีความทุกข์นะหิวก็ทุกข์แล้วใช่ไหมบางคนตอนนี้ง่วงก็มีความทุกข์นะบางคนอากาศเย็นเย็นรู้สึกหนาวหนาเย็นเย็นก็มีความทุกข์แล้วใช่ไหมนะบางคนหาวบางคนหาวนี่มันก็มีความทุกข์แล้วใช่ไหมนะมันมีความทุกข์ตลอดเลยนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละคือความทุกข์ใช่ไหมเรามองเห็นไหมนะมันประจําสังขารมันหนีไม่พ้นแล้วใช่ไหมแล้วก็ทุกข์ย้อนมามื่ที่พูดนั่นแหละ ความเมื่อยความหนาวความหิวนี่คือทุกข์ที่จอดมานะทุกนี้จริงๆเราแก้ไขไม่ได้นะอแก้ไขไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราเราแค่บรรเทาเท่านั้นเองใช่ไหมอย่างเราปวดเมื่อยเดี๋ยวเราก็ลุกขึ้นมาเดินเนี่ยใช่ไหมมันก็แก้ได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องไปนั่งต่อนะต้องไปนอนต้องไปเปลี่ยนอิบทต่างๆอันนี้เราก็เรียกว่าเราเปลี่ยนเพื่อแก้ทุกข์เนาะนะส่วนความแก่ความเจ็บความตายเราหนีไม่พ้นแล้วนะเกิดมาก็ต้องเจอสิ่งนั้นหนีไม่พ้นแน่นอน นะเพราะนั่นมันแค่บรรเทาทุกข์เท่านั้นเองใช่ไหมหิวไปกินเดี๋ยวก็ต้องหิวใหม่ใช่ไหมต่างๆเร า, าเนี่ยมันเป็นการแก้ทุกข์กันทั้งวันนะเราไม่รู้หรอกนะมันแ ก, ทก้ทุกข์เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นความทุกข์ทางกายนี่ก็คือเราแก้ให้มันดะับไปหมดไปไม่ได้เนาะส่วนความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางใจนี่นะมันจริงๆแล้วมันอันตรายร้ายแรงกว่าความทุกข์ทางกายใช่ไหม ความทุกข์ทางใจในบางคนก็เสียใจน้อยใจใช่เหงาเครียดกลัวนะหรือไม่ก็ผิดหวังเนี่ยซึ่งอาการต่างๆเราเนี่ยทำให้คนไปฆ่าตัวตายได้นะาบางทาีมีแฟนแฟนทิ้งก็ไปฆ่าตัวตายนะหรือบางคนเป็นเศรษฐีนะาขาดทุนไปมีเศรษฐีเป็นเงิน หมื่นล้านนะขาดทุนไป พ, นพันล้านทนไม่ไหวไปฆ่าตัวตายนะหรือบางคนเคยสอบได้ที่หนึ่งนะได้เกรดสี่มาตลอดต่อมาสอบไม่ได้ที่หนึ่งนะได้สามกว่าทนไม่ไหวไปฆ่าตัวตายนะเนี่ยก็เห็นไหมว่าคนเราเนี่ยเป็นคนที่สมบูรณ์นะนะมีร่างกายสมบูรณ์มีวิวัาทุกอย่างร่างกายดีนะแต่ไปฆ่าตัวตายเพราะว่าทนความทุกข์ใจที่บีบคั้นไม่ไหวใช่ เราจะเห็นพวกนี้บ่อยมากเลยนะคนที่ข้าตัวตายเพราะเหตุต่างๆนะแต่ความทุกข์ทางใจนี่นะถึงว่าจะร้ายแรงมากนะแต่ว่าสามารถแก้ได้นะแก้ได้ดับได้เด็ดขาดเลยนะสามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ดับทุกข์ <c oughs> ทางใจได้อย่างเด็ดขาด <c oughs> ดูอย่างพระลหันนะพระลานนีท่านก็มีความทุกข์ในทางกายอยู่นะท่านก็เจ็บป่วยท่านก็แก่ก็เจ็บก็ตายไปนะั่นแหละ แต่ท่านไม่มีความทุกข์ทางใจแล้วนะเพราะท่านสามารถแก้ไขความทุกข์ทางใจของท่านเนี่ยได้นะเพราะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมนี้นะก็คือเราจะมาแก้ความทุกข์ทางใจกันนะก็คือเราจะมาดับทุกข์ทางใจทำทุกข์ทางใจให้ลดลงนะเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่าเร า, าจะไดะ้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติธรรมได้ง่ายขึ้นนะ ก็คือจิตใจเรานี่มีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยนะอย่างที่ว่าลมต่างๆมีความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเราจะต้องามาแก้ไขในตรงนี้นะครั้นี้ เ, นเราจะแก้ไขอย่างไรนะพระพุทธเจ้าก็ให้สติปัฏฐาน4ี่มานะสติปัฏฐาน4ี่นั้นบว่าเป็นทางสายเอกน ะ, ะนนะคือถ้าเรอไปบัติในสติปัฏฐาน4ี่นี้ก็าสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้นะเข้าถึงวิมุติสุขนะคือการดับทุกข์ได้อย่างถาวร อ, อย่างที่กล่าวว่าคือพรนิพพานนั่นเอง ครันะนี้บางท่านก็ บ, บอกว่าเราก็ไม่ได้หวังพระนิพพานอะไรนะเราไม่ได้หวังพระนิพพานอะไรเลยนะอันนี้ไม่เป็นไรนะจริงๆแล้วเนี่ยคนเรามีความทุกข์แล้วน ะ, ะแต่เราแค่แก้ทุกข์ในใจเราได้เลยนี่ก็พอใจแล้วใช่ไหม <c oughs> เพราะชีวิตเรานี่ตลอดชีวิตนะถ้าเราไม่แก้ทุกข์เป็นไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้วิธีการแก้ทุกข์นี่เราก็มีความทุกข์ตลอดไปนะแต่ถ้าเราแก้ทุกข์เป็นนี่เราอยู่ที่ไหนก็ได้นะไม่ต้องหวังพระนิพพานหรอก เราอยู่ได้ทุกแห่งนะเพราะทุกมันเกิดกับเราอยู่ประจำอยู่แล้วนะแค่เรารู้จักเขาแล้วเราแก้ให้เป็นนั้นเองนะนะเพราะนั้นวิธีการปฏิบัติในการเจริญสติปัฏฐานสีก็คือให้มารู้จักทางกายก่อนนะกายพระพุทธเจ้าบอกว่าเริ่มที่กายก่อนนะให้รู้ลมหายใจ <c oughs> อานาปนาสติหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นก็รู้หายใจออกสั้น หายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวนะก็คือให้รู้ตามธรรมชาติของลมหายใจนะว่าเข้าเข้าสั้นหรือยาวนะถ้าไม่ได้บอกให้เราไปแก้ไขปรับปรุงนะให้หายใจเข้าสั้นๆหรือหายใจเข้ายาวๆนั้นใะห้รู้ตามธรรมชาติที่เขาเป็นนะก็จะเกิดสติขึ้นมาเนาะคราวนี้ถ้าหากว่าเรา <c oughs> รู้ลมหายใจไม่ได้นะเพราะลมหายใจนี่ค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็จับยาก บางทีหายใจหายไปหายใจมาลมหายใจหายไปเลยก็มีนะเพนะราะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยให้สิ่งที่ว่ามันจะได้ง่ายขึ้นนะก็เลยให้รู้อีบทต่างๆนะอีบทสก็คือยืนเดินนั่งนอนนะเวลาเรานะเดินก็รู้ว่าเราเดินนะนั่งก็รู้เรานั่งยืนก็รู้เรายืนนอนก็รู้เรานอนนะอันนี้ท่านให้รู้ตามความเป็นจริงนะไม่ต้องไปดัดแปลงแก้ไข นะไม่ต้องว่ า, เ, าเดินช้าช้าหรือเดินเร็วเร็วหรือเดินแปลกๆอย่างไรนั่นะก็คือเราเดินอย่างไรก็ให้รู้ไป ต, ตามเช่นนั้นนั่นะก็คือกลับมารู้ว่าขณะนี้กํลาลังทำอะไรอยู่นะเพราะชีวิตเราปกตินี่เราก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าเรากํลาลังทำอะไรนะเพราะจริงๆเราก็เดินมาตลอดชีวิตแล้วนะแต่ว่าในขณะที่เราเดินนั้นนะเราจะสังเกตดูว่าเราไม่รู้ว่าเราเดินแต่เราจะไ ป, ะ เ, ปเป็นความคิดบ้างนะคิดเป็นอดีตในอนาคตต่างๆบ้าง เนี่ยมันก็เลยไม่รู้ปัจจุบันนี้กําลังทําอะไรอยู่นะถ้าตอนนี้เรากําลังนั่งอยู่เรารู้ไหมใช่ไหมอ่านี่ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะว่าเราก you, ําล sure sort of or ังนั่งอยู่ใช่ไหมแต่พอบอกเออรู้ไหมกําลังนั่งอยู่เราเริ่มรู้แล้วกําลังนั่งอยู่เห็นไหมเพราะว่าเราเนี่ยเราหลงไปนะไม่รู้ว่าขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่นะหรือบางท่านอาจจะยกมือสร้างยังวะอยู่เนี่ยตอนนี้รู้ไหมว่ากําลังยกมือสร้างยังหวะอยู่เนาะแต่ได้ยกมือแล้วสร้างยังหวะนี่ก็จริงแต่ว่าเราคิดไปถึงบ้านบ้างคิดไปถึงที่ทํางานบ้าง อันนี้เราก็หลงไปแล้วนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าขณะนี้เรากําลังยกมืออยู่ใช่ไหมไม่รู้ว่าขณะนี้กาลังทําอะไรอยู่นะเพราะฉะนั้นจริงกลับมารู้ว่าขณะนี้กำลังยืนกําลังเดินกําลังนั่งกาลังนอนนี่แหละนะตรงนี้เป็นสิ่งที่ว่าเราควรจะรู้ในขณะนี้ว่าเรากาลังทําอะไรอยู่นะต่อไปก็ทรงบอกในอีกบทย่อยต่างๆนะเรียกว่าสัมปชัญญาแบบพักก็คือเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายแลขวาก้มเงย นะคู่แขนเหยียดแขนนะทรงจีวรสังคาตนะิเข้าห้องน้ำนะอุจจาระปัสวะต่างๆเหล่านี้ก็ให้รู้ทันนะก็คือให้รู้ในอบทย่อต่างๆนะไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่นะนะเช่นกวาดบ้านถูพื้นแปรงฟันอาบน้ำซักผ้านะทานอาหารดื่มน้ำต่างๆเนี่ยก็ให้รู้ทันทั้งหมดเลยก็คือรู้ทันในบทย่อทั้งหลายนะบทใหญ่ก็คือยืนเดินนั่งนอน อีบ่นย่อยก็คื อ, อบทต่างๆนั่นแหละที่เราทําในชีวิตประจำวันทั้งหมดนี้ก็ให้เรารู้เท่าทันนะเลือย่างพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าต้องทําอะไรช้าหรือต้องทํำเร็วๆหรือต้องทําอย่างไรนะแต่ให้รู้ไปตามความเป็นจริงนะรู้ไปตามความเป็นจริงนะก็คือเราเคยทําอย่างไรก็ทําไปแบบนั้นนั่นแหละตามปกติที่เราเคยทำใช่ไหมทานอาหารก็ทานตามปกติที่เราเคยทานใช่ไหมไม่ต้องไปทานอะไรที่ผิดปกติ เพียงแต่เรารู้ว่าขณะนี้กําลังทานกาลังเคี้ยวกําลังลิ้มกําลังรู้รสต่างๆไปตามความเป็นจริงเท่านั้นเองอเพราะงัการไปฏิบัติธรรมก็คือเรารู้ไปตามความเป็นจริงไม่ได้ไปทําสิ่งอะไรที่มันแปล ก, ป ก, ปกซึ่งนอกเหนือความเป็นจริงไปต่อมาก็ให้รู้เวทนานะเวทนาก็คือทางกายและทางใจมีความสุขนะมีความทุกข์หรือเฉยๆก็ให้รู้ทันในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นให้เห็นเวทนาว่าเป็นสักกะว่าเวทนา ไม่ใช่ศักด์บุคคลโตตนเราเขานะไม่ใช่ว่าเราเวทนาอ่าแต่ว่าเป็นแค่ศักด์แต่ว่าเวทนาไม่ใช่เรานะต่อมาก็ให้รู้เรื่องจิตใจนะเรื่องจิตอ่จิตตานุปัสสนาก็คือมีราคะก็รู้ว่ามีราคะมีโทสะก็รู้่มีโทสะมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะไม่มีราคะก็รู้ไม่มีราคะไม่มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะไม่มีโมหะก็รู้ไม่มีโมหะ หรือว่าจิตมีอาการอย่างใดใดในจิตก็ให้รู้เท่าทันนะตามความเป็นจริงนั้นๆเราก็คือให้เรารู้เท่าทันความเป็นจริงในจิตขณะนั้นว่าเป็นอย่างไรนะไม่ได้บอกว่ามีราคะก็ให้ละราคะมีโมหะก็รู้ก็ละโมหะมีโทสะก็ละโมหะนะไม่ได้บอกเช่นนั้นนะแต่ให้รู้นะความเป็นจริงในขณะนั้นว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจเราเท่านั้นเองนะ <c oughs> ตรงนี้นะเมื่อเรารู้ไปตามความเป็นจริงแล้ว <c oughs> เราพอเราไม่ได้ไปจัดการอะไรกับเขานะ เช่นมีราคานะมีความพอใจเกิดขึ้นเมื่อเราไม่จัดการเราก็เห็นว่าเออพอความพอใจเขาเกิดแล้วก็ดับไปนะมีโทสะก็เหมือนกันถ้าเราไม่ไปจัดการเขาเกิดแล้วก็ดับไปนะคำว่าจัดการนั่นคือนะเมื่อมีความไม่พอใจเราก็ให้ความไม่พอใจหมดไปนะนะโดยวิธีการต่างๆนะมีความโกรธก็ทําให้ความโกรธหมดไปโดยฝีมือเรานะมันจะมีตัวเราอยู่นะ Scream, s. <S พอเราจัดการได้แล้วเราก็ไม่เห็นว่าจริงๆแล้วความโกรธหรือโทสะเขาเกิดแล้วก็ดับได้เองนะก็จะไม่เห็นความเกิดดับตามความเป็นจริงนะหรือมีความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ไปจัดการกับความคิดให้หมดไปนีก็กลายว่าฝีมือเราจัดการได้นะก็ไม่ได้เห็นว่าความคิดเขาเกิดแล้วก็ดับเองนะซึ่งจริงๆแล้วสภาวธรรมต่างๆเขาเกิดแล้วก็ดับเองได้อยู่แล้วนะโดยเราไม่ต้อจัดการอะไรเลยนะเพราะว่าเขามาแล้วก็ไปโดยตัวเ้าเอง อันน er ี้มันจะแสดงถึงว่าความเกิดดับโดยตัวเขาเองไม่ใช่ฝีมือเราไปจัดการนะเพราะเป็นฝีมือเราจัดการก็แสดงว่าเราบังคับบัญชาเขาได้เมื่อเราบังคับบัญชาเขาได้ก็จึงเป็นตัวเป็นตนของเราใช่ไหมแต่ถ้าเราเห็นว่าเออจริงๆแล้วเราไม่จัดการอะไรเขาไม่ได้เลยนะก็จะเห็นว่าเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้นี่แหละพอเราเข้าใจเช่นนี้ก็คือเขาจึงไม่ใช่ตัวเป็นตนของเรานี่คือความเข้าใจที่จะตามมาใช่ไหมเมื่อเราเห็นความเกิดความดับของสภาวะธรรมต่างๆของกายและใจแล้ว นันี้ชื่อว่าเราได้เห็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะเพราะธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือเราเห็นสภาวะ ท, ทุกอย่างมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเนี่ยตรงนี้ก็จะเกิดปัญญาในการที่ว่าจะเกิดการปล่อยการวางการละการคลายความยึดติดในความเป็นตัวเป็นตนนี้เพราะาเราบังคับบัญชาสิ่งต่างไม่ได้เลยนะพเพราะที่เราบังคับบัญชาไม่ได้เขาจึงทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้นะเพราะว่าเขาทนในสภาวะเดิมไม่ได้เขาจึงมีความเปลี่ยนแปลง มีความเป็นอนิจจังก็คือมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่สามารถที่จะอยู่ในภาวะเดิมได้ต่อไปเนะพราะทุกอย่างนี้คือความที่เรียกว่าไม่เที่ยงทั้งหมดนะคือความไม่เปลี่ยน <c oughs> ความไม่เที่ยงคือความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยนะตรงนี้คือความจริงออของสภาวธรรมและของธรรมชาติทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นตัวเราก็ไม่เที่ยงใช่ไหมตัวเราทุกอย่างไม่เที่ยงนะร่างกายเราไม่มีอะไรเที่ยงเลยใช่ไหมเราเห็นไหมสมัยก่อนเราเป็นเด็กตัวเล็กๆนะ เด็กตัวเล็กตอนนี้เราก็โตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้ว น, นี่ก็แสดงถึงความไม่เที่ยงอีกหน่อยเราก็จะกลายเป็นคนแก่ใช่ไหมนนี่แหละคือความไม่เที่ยง น, นี่ก็คือกลับมาเห็นในความตรงนี้แล้วเราก็จะเข้าใจใตัวเราเองนะเพราะฉะนั้นการที่เรามาเจริญสติปัฏฐาน4ี่ก็คือให้เห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมให้เห็นว่าจริงๆแล้วเขาไม่ตัดบุคคลตัว ต, วตวเราเขาเนี่ยมันจะได้คลายความยึดติด ในความเป็นตัวตนของเราตรงนี้ขึ้นมาเ น, ะนะาะนะคราวนี้นะถ้าเราเ <c oughs> ข้าใจในะตรงนี้เราก็เามามาดูดูกายน ะ, ะกายเขาเคลื่อนไหวนี่ใช่ไหมอันนี้ก็คือปัจจุบันธรรมจะมาเรารู้รู้ไหมว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหมถ้าเราเข้าใจว่าตรงนี้น ะ, ะเช่นเรายกมือนี่คือปฏิบัติธรรมของเราใช่ไหมหรือเรานั่งอยู่นี่คือปัจจบัติธรรมของเรานะตรงนี้มันแค่รู้เฉยๆนะมันไม่ได้ไปคิดขณะนี้เรากำลังยกมืออยู่นะ ขณะนี้กำลังนั่งนะมันไม่ได้ไปคิดนะแต่ถ้าเมื่อวานกินข้าวกับอะไรใช่ไหมกินเราต้องไปนั่งคิดแล้วเมื่อวานกินกับอะไรใช่ไหมหรือว่าพุ่งนี้จะกลับแล้วนะจะกลับกี่โมงนะกลับถึงบ้านกี่โมงนี่ก็คือเราต้องไปคิดนะนี่คืออนาคตนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประดิษฐ์ก็ตามอนาคตก็คือก็ตามก็คือเป็นสิ่งเราต้องไปคิดแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ได้ไปคิดนะมันเป็นแค่ตัวรู้เฉยเลยนะเป็นแค่ตัวรู้เฉย รู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยูอ่แค่นี้จบเลยนะรู้ขณะปัจจุบันนีน้เมื่อเรารู้แล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยเช่นเรากำลังยกมืออยู่ใช่ไมยกมืออยู่นีน่บางคนไม่รู้ก็มีนะอย่างที่ว่าเนี่ยยกมือไปก็คิดไปนี่เราไม่รู้แต่ถ้าเรารู้ขนาดนี้กำลังยกมือปั๊บอันนี้คือความจริงในปัจจุบันแล้วนะเมื่อเราใจมีความรู้ในการเคลื่อนไหวนะก็คือไกเคลื่อนไหวใจรับรู้เกิดขึ้น รับนนี้ก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเลยนะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเลยแต่ถ้ากายเคลื่อนไหวเช่นยกมือแล้วใจไม่ได้รับรู้หรอกแต่ใจไปคิดเรื่องอื่นเมื่อไม่รับรู้ก็ไม่เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะ Character, ความรู้สึกตัวขึ้นมาความรู้สึกตัวก็คือการที่กายเคลื่อนไหวแล้วใจไปรับรู้นั่นเองนะแต่ถ้ากายเคลื่อนไหวแล้วใจไม่รับรู้ก็จะไม่รู้สึกตัวนะจริงๆแล้วเราก็เคลื่อนไหวมาตลอดชีวิตแล้วนะอย่างที่ว่าเนี่ยเราก็เดินมาตลอดชีวิตแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าขณะนี้กำลังเดินอยู่ พอใจไกลเคลื่อนไหวคือกําลังเดินแต่ไม่รู้ว่าขณะนี้กําลังเดินก็เลยไม่รู้สึกตัวนะแต่ถ้าเราเดินปุ๊บเรากลับมารู้เขณะนี้กําลังเดินนะกายเคลื่อนไหวเรารับรู้พับเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเห็นว่ามันไม่ต้องคิดนะแค่เรารับรู้ในปัจจุบันเท่านั้นเองเพราะปัจจุบันมันไม่ต้องคิดอยู่แล้วนะเรานั่งก็ไม่ต้องคิดยกมือก็ไม่ต้องคิดเดินก็ไม่ต้องคิดแต่ว่าแค่ให้ใจมารับรู้เท่านั้นเองนะ นี่แหละคือปัจจุบันธรรมแล้นี่ก็คือความรู้สึกตัวนะเพราะฉะนั้นถ้าจิตนะหลุดออกจากปัจบันปับ๊บเราจะรู้เลยนะนะเพราะเราอยู่กับปัจจุบันอยู่แล้วใช่ไหมคิดไปนาดีตก็จะรู้ทันคิดไปนาคตกรู้ทันนะเพราะนั้นหลวงป่อเทียนก็เลยไม่ห้ามความคิดนะท่านบอกว่าไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปห้ามความคิดนะยิ่งคิดก็ยิ่งรู้นั่นเองนะนะนะเราคิดไปร้อยเรื่องในเรารู้90เรื่องนะแสดงว่านะเราไม่ไม่รู้แค่สิบเรื่องเท่านั้นเองนะ เป็นการปลูกจิตให้ตื่นขึ้นมาใช่ไหมจากเมื่อก่อนเราคิดไปร้อยเรื่องแล้วไม่รู้เรื่องเลยนะแต่เราเริ่มรู้รักถึง90เรื่องใช่ไหมมันเป็นการปลูกจิตให้ตื่นขึ้นมารู้นะจิตเริ่มรู้ว่าเออขณะนี้เราคิดไปแล้วนะเนี่ยพอเราไหลไปคิดปุ๊บจิตรู้ปุ๊บจิตจะตื่นขึ้นมาครั้งหนึ่งนะเป็นการปลูกเขย่าท่านรู้ให้ตื่นขึ้นมาใช่ไหมเมื่อก่อนเราคิดต้องหลายเรื่องแล้วไม่รู้นะแต่พอเราชํานาญปุ๊บนะเราคิดไปสักสอสเรื่องเราก็เริ่มรู้แล้วเพราะจิตมันเริ่มตื่นแล้ว คิดไปสั้นๆก็รู้แล้วบางทีคิดเรื่องหนึ่งก็รู้แล้วคิดไปครึ่งเรื่องก็รู้แล้วนี่ใช่ไหมจิตมันเริ่มตื่นแล้วใช่ไหมแต่ก่อนคิดไปสิเรื่องยังไม่รู้เลยนะแต่ตอนหลังคิดครึ่งเรื่องก็รู้แล้วนะพอรู้แล้วเป็นยังไงนะมันก็เลยไม่ไปคิดต่อนะมันก็กลับมารู้ในปัจจุบันนี่แหละกลับมารู้ที่กายแทนกลับมารู้การยกมือสร้างอย่างว่าการเดินจงกรมแทนนเพราะว่าเขารู้แล้วใช่ไหมแต่ถ้าไม่รู้ก็คิดยาวคิดยาวก็คือไป็หลงนั่นเองนะเพราะนั้นหลงก็รู้นี่มััันนนนนจเเปปป็็่คูรบกะ นะเพราเมื่อมันหลงมันก็ไม่รู้นะแต่เมื่อมันรู้มันก็ไม่หลงใช่ไหม น, นี่คือการที่เรากลับมารู้นบ่อยๆใช่ไหมรู้รู้บ่อยๆตรงเนี้มันจะทําให้จิตตื่นตัวขึ้นมานะหรือว่าเราสร้างจังหวะนี่จิตก็ไปรับรู้ในการสร้างจังหวะนะเคลื่อนไหวเคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้นี่ก็เป็นการฝึกจิตให้รู้นะรู้ในการเคลื่อนไหวนั่นเองนะเพราะเมื่อก่อนเราเคลื่อนไหวแล้วไม่รู้หรอกนะแต่เมื่อตอนต่อมาเราฝึกเออกายเคลื่อนไหวก็ใจรับรู้ปั๊บเนี่ย มันก็จะไปรับรู้กายนะรับรู้กายก็ทําให้จิตตื่นขึ้นมาขณะ น, นี้กําลังทําอะไรอยู่นะเมืนะ่อก่อนไม่รู้กําลังทําอะไรอยู่ซักผ้าก็ซักไปเถิดกายมันซักด้วยความเคยชินโดยความอัตโนมัติไปนะแต่พอใจไปรับรู้ปุ๊บจะรู้เออขณะ น, นี้กาลังซักผ้าเลยนะนี่นี่ก็คือสัมผัสเช่นยาประเลยใช่ไหมมันจะเข้าไปสู่ชีวิตพจําวันของเราได้ง่ายๆใช่ไหมแต่เมื่อก่อนเราใช้ชีวิพจําวันด้วยความหลงนะหลงเข้าไปในความคิดต่างๆมันก็นําความทุกข์มาให้เราทั้งนั้นเลย นําความทุกข์ต่างๆจากความคิดนั่นแหละเรารู้ไม่ทันนําความทุกข์เกิดจากการที่เราเข้าไปหวนคิดในสิ่งที่ว่าทําให้เรามีความทุกข์นั่นแหละหรือบางครั้งก็คิดในความสุขอันนั้นคือความหลงทั้งนั้นเลยนะเหมือนกับบางบางทีเมื่ อ, อดินหลายๆปีแล้วมีคนมาเข้ามาดาเรามาทําให้เรามีความทุกข์ใจนะทําเราผิดหวังต่างๆเหล่านี้นะเหมันก็เข้ามีมาแทงเราครั้งหนึ่งแล้วนะเขาก็จากไป แต่เรายังมีมาแทงตัวเองนับครั้งไม่ถ้วนเลยนี่คือการไปติดในอดีตนอนาคตก็เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็ไปกังวลซะแล้วนะนี่ก็คือนําความทุกข์ให้เรามาในอนาคตนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่กับปัจจุบันจริงๆก็จะไม่ทุกข์นะเพราะว่าเราอยู่กับปัจจุบันมันไม่ได้ไปคิดอะไรเยอะมันแค่รู้เฉยมันก็เลยไม่ทุกข์เข้ามาตรงนี้เป็นสิ่งที่ว่าเรากลับมาสู่ในตรงนี้ได้ไหมแล้วเมื่อเรากลับมาอยู่ในตรงปัจจุบันบ่อยๆเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วนะความคิดเขาเกิดแล้วระดับอยู่เรื่อยๆนะ ใหม่ๆเรารู้จักฐานกายนี่แหละยกมือสร้าหัวกัด แ, แต่เราจะเริ่มไปเห็นความคิดในทีหลังใช่ไหมความคิดเราจะเมื่อก่อนเราไม่เห็นนะแต่พอเราเห็นบ่อยๆโอ้ความคิดมาแล้วก็ดับไปความคิดมาแล้วก็ดับไปเป็นเรื่องธรรมดามากนะตอนนี้บางท่านไหนจะเริ่องสังเกตเห็นแล้วนะความคิดเดี๋ยวก็มาแล้วก็ดับไปพอเรารู้ทันก็ดับไปเนี่ยแสดงถึงความคิดเนี่ยเขาเขาไม่ไม่ใช่ตัวตนของเรานะเราบังคับเป็นชายเาไม่ได้หรอกนะอืม ต่อมาเราจะเห็นความคิดเนี่ยชัดเจ น, นว่าเราบังคับก็ไม่ได้เลยเขาจะมาก็มาเขาจะไปก็ไปขนาดว่าเรายังไม่รู้เลยว่าหน้าที่ต่อไปเราจะคิดเรื่องอะไรใช่ไหมเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าอนาคตต่อไปคิดอะไรหน้าที่ต่อไปจะคิดอะไรก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมนี่เพราเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้ใช่ไหมเห็นในตรงนี้ชัดเจนเลยนะว่าจิตใจก็ทํางานเองน ะ, ะหรือเมื่อวานเราไปบันเล่ามีความรู้สึกตัวดีทั้งวัน นะแต่พอวันนี้มาถึงวันนี้โอ้ทาไมความรู้ตัวหายหายไปนะไม่เหมือนเมื่อวานนะไม่เหมือนเมื่อวานเลยเนะี่เราเราก็มีความทุกข์เออทำไมมันไม่ไม่ดีเหมือนเมื่อวานแต่จริงๆแล้วนะักแสดงอะไรน ะ, สะแสดงความเป็นอนิจจังแล้วนะคือเขาไม่เที่ยงนี่แหล ะ, สะแสดงให้เราเห็นแล้วว่าเขาไม่เที่ยงเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เขาจึงไม่เที่ยงนะเนี่ยเราเห็นความจริงอย่า ง, างนี้บ่อยๆนะเออจริงๆแล้วเราก็บังคับบัญชาเขาไม่ได้นะนี่คือการเห็นความจริง นะเช่นความคิดหรือว่าการเห็นความไม่เที่ยงนี่แหละเราจะเริ่มเข้าใจในธรรมะที่แท้จริงถึงความที่ไม่ตัวไม่ตนของเรานะหรือเรานั่งเป็นนานๆ น, นะเราก็มีความทุกข์มากโอมันทุกข์จังเลย น, ะนั่งนานๆปวดเมื่อยแล้วครันี้เราอยากจะมาเดินจงกรมนะก็ให้รู้ความจริงว่านี่แหละมันเป็นความทุกข์นะเป็นความทุกข์เพราะมันทนในสภาเดิมไม่ได้หรือ ม, มันมีการบีบคั้นมีการกดดัน นะตรงนี้มันทำเราทนในภาวะเดิมไม่ได้เราจึงต้องเบี่ยนระ บ, บทขึ้นมาเดินนะตรงนี้เป็นการแก้ทุกข์ต่างหากใช่ไหมเนี่ยเห็นตรงนี้บ่อยๆนะนี่คือความทุกข์ทนในภาวะเดิมไม่ได้ที่ทนในภาวะเดิมไม่ได้เพราะว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะเขาจึงไม่ตัวไม่ตนของเรานี่คือคือปัญญาแล้วนะคือการเห็นความจริงในความเป็นในในใจังทุกขังตาใช่ไหมการที่เราเห็นพระไตรลักษณ์นะอันนีจังทุกขังตานี่คือความจริงหรือสัจธรรม ซึ่งทุกอย่างนี้ตกในกฎพระไตรลักษ์ทั้งหมดเลยนะพระไตรลักษ์นี่ถือว่าเป็นความจริงของธรรมชาติและของโลกด้วยนะอย่างที่ว่านะทุกอย่างนี่ตกในกฎพระไตรลักษ์หมดไม่ว่าจะเป็นตัวเร า, าบุคคลเราเข า, าตึกราบ้านช่องภูเข า, าโลกนี้ทั้งโลกหรือดวงอาทิตย์จักรวาล น, นี้นะทั้งหมดตกในกฎพระไตรลักษ์ทั้งหมดเลยก็คือความไม่เที่ยงความทุกข์ที่ทนในภาวะเดิมไม่ได้แล้วก็เป็นนักตาคือไม่ตัวไม่ตนบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงกันทั้งสิ้น อยู่ได้ว่าเราจะเห็นเมา่อใรักได้ชัดเจนไหมถ้าเราเห็นเมา่อใรักแล้วจิตเราจะเกิดการปล่อยกันวางการไม่ยึดติดที่ความไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานี่แหละแต่ถ้าเรายังไม่เห็นในตรงนี้ชัดเจนเราจะว่าตัวเราเป็นนะเราคิดก็ว่าเราคิดใช่ไหมเราโกรธก็ว่าเราโกรธเรารักก็ว่าเรารักเราชังก็ว่าเราชังเพราะนั้นตรงนี้มันจะมีความทุกข์บ่อยๆนะเราโกรธเราโกรธแล้วเราก็ต้องความโกรธไม่ดีนะต้องไปละความโกรธ นะความรักก็ไม่ดีนะต้องไปละความรักนะแต่จริงๆอย่างที่พระเจ้าบอกเลย ว, ว่ารูปเวนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือกายใจไม่ตัวไม่ตนของเราเพราะฉะนั้นความโกรธความรักความชังก็จึงไม่ใช่เรานะแต่เป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเข้ามาตามเหตุตามปัจจัยนะไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานะเราก็มีหน้าที่รู้เท่าทันเั่านั้นเองใช่ไหมไม่ได้มีหน้าที่ต้องไปจัดการอะไรกับเขานะเพราะนั้นครูบาอาจารย์ยังบอกว่าให้รู้เฉยๆนะหลวงพ่อเทียนบอกให้รู้เฉยๆหรือว่าคำเขียให้บอกว่าให้รู้สึกซื่อใช่ไหม เพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสักแต่ว่านะเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ได้ยินก็คือสภาวธรรมทั้งหมดเราไม่ได้ไปจัดการเขาเราแค่รู้เฉยๆก็พอแล้วการรู้เฉยๆนั่นแหละก็คือเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมแต่ถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวกับเขาก็แสดงเขาเป็นของเรากับความขวดเป็นเราเราจึงต้องไปจัดการให้มันหมดไปใช่ไหมอันนี้มันไม่ได้รู้เฉยๆนะแต่ว่ามันเป็นตัวเราเป็นของของเราซึ่งเราต้องจัดการให้มันหมดไป แต่ถ้าเราลุกเย่ยเฉยได้จริงๆหรือสักแต่ว่าจริงๆนั่นแหละเราจะพ้นจากความทุกข์ได้เหมือนกับพระพายะนั่นแหละพระพายะนี่สมัยก่อนท่านเป็นพ่อค้าทางทะเลนะวันหนึ่งเรือก็ล่มท่านก็ขึ้นมาบนบกตอนหลังท่านก็ไม่มีเสื้อผ้าเพราะว่าหลุดลุ่ยหมดนั้นกระเไป๋าใบไม้มานุ่งเข้าไปใมบ้านในหมูนนบ่บ้านบอ่านี่เป็นพระลรหารแล้วนะเพราะว่าไม่ได้เอาอะไรเลยท่านก็รู้ท่านไม่ได้เป็นหลอกแต่ว่าท่านก็รับสมรักไปงั้นเอง ต่อมามีผู้บอกว่าขณะนี้มีพระเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกแล้วนะพอได้ยินเขาพระพุทธเจ้านี้ท่านก็ทนไม่ไหวท่านก็เดินทางทั้งมันทั้งคืนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนนั้นพระพุทธเจ้าบิีนาบาตอยู่ก็ขอฟังธรรมขอฟังธรรมหนึง3ครั้งนะพระพุทธเจ้าจึงแสดงให้บอกว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินรู้ก็สักแต่ว่ารู้ท ร, ราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อนั้นท่านจักไม่มีในโลกนี้ท่านจักไม่มีในโลกหน้าท่านจักไม่มีในโลกทั้งสองนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์ละนะพอท่านฟังธรรม ตรงนี้ปุ๊บท่านบารรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะได้เป็นเอกลักษในการบารรลุธรรมได้เร็วที่สุดเนะพราะทํามาง่ายๆสั้นๆเช่นเห็นก็สักโดยเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินตรงนี้เราเข้าใจไหมนะ <c oughs> ก็คือการรู้เฉยๆนั่นเองนะเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวจัดการอะไรเขาเห็นก็เฉยๆนะไม่ไปยุ่งกับเขาเพราะการเห็นหรือการได้ยินนั้นมเป็นประตูที่นําให้เกิดการปรุงแต่งในความรักความชังตามมาใช่ไหม แต่ถ้าเราเห็นเราเห็นเฉยมันก็ไม่ไปปรุงแต่งนะมันไม่ปรุงแต่งเป็นความรักความชังได้ยินก็สักแล้วได้ยินมันก็ไม่ไปปรุงแต่งเป็นความรักความชังนะเช่นใครก็มาด่าเรานะถ้าเรารู้เฉยแล้วไม่ไปคิดต่อมันก็ไม่โกรธนะแต่ถ้าไปปรุงแต่งเออเขามาด่ามาด่าปุ๊บเออด่าเรานะเขาด่าเรานะไปปรุงแต่งต่อเลยนะด่าเราใช่ไหมด่าทําไมไม่รู้จักเราหรือว่าเป็นใครไม่ทำผิดตั้หน่อยด่าได้ไงใช่ไหม มันจะเป็นความคิดไปปรุงแต่งต่อมันไม่ใช่เป็นการได้ยินเฉยเฉยไม่ได้เป็นศักแต่ว่าเฉยเใช่ไหมเพราะมีตัวเราอยู่ด้วยนะเพราะนั่นตรงนี้มันจึงเกี่ยวข้องกันว่าการศักแต่ว่าหรือรู้เฉยเฉยนี่มันเกี่ยวกับตัวเรานะเพราะฉะนั้นเมื่อเราวางตัวเราเองได้แล้วมันก็จะสักแต่ว่าจริงๆรมันก็จะรู้เฉยเฉยจริงๆเพราะฉะนั้นกินเลยทั้งหลายมีได้นะความโลบความกดความหลงมีได้แต่ว่าเขาไม่ใช่เรานะเขาไม่ใช่เราเขาเป็นสักแต่ว่าของเขาเท่านั้นเองใช่ไหมเขามาตามเหตุตามปัจจัยเขาเป็นเรื่องของใจ ะใจก็ไม่ใช่เราเพราะนั้นเขาจึงไม่ใช่ของเรานะตรงนี้เราก็จะกลายเป็นผู้ดูผู้รู้ที่แท้จริงนะแล้วมันจะสักแต่ว่าอย่างนั้นเองนะมันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเขาแล้วยังไตรงนี้จิตจะออกจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะเพราะฉนั้นเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วเราเห็นว่ากายและใจมันไม่ตัวไม่ตนของเราแล้วนะมันจะวางมันจะไม่ยึดไม่ติดนะมันจะเป็นการปล่อยการวางการคายออกจากตันหาอุปทานทั้งหลายแหล่ความเป็นตัวเป็นตนนะเมื่อมันคายออกแล้วจากตันหา ในตรงนี้นะอุปทานก็จะคลายไปด้วยคือความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเรามันจะคลายไปด้วยนะตรงเนี้ จ, จะทําให้ทุกข์เราเนี่ยน้อยลงน้อยลงแล้วก็หมดไปในที่สุดนะนี่แหละคือขนทางแห่งการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ที่แท้จริงนะเพราะฉะนั้นในท้ายสุดนี้ก็ขอรัตนาบา ร, รมีคุณพุทธประสงค์ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยเสียงสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันทุกท่านเทอญ